ตอนนี้ไปก็อขอฟังฟังในทจแตู่่หนึ่งวันนี้ไม่มีผู้พดูดใหม่มีแต่คนเก่าก็จะขอพูดใ น, น, าานด้านพิจารณาญาณเพื่อว่าการเจริญนี้พิจาราญาณนี้การเจริญสมาธิโดยเฉพาะ อ, อย่างนิ่งการปฏิบัติสมาฐนานี้ สมเด็รสมมาสมพเจ้าสรงเรียกผู้ทฏิบัติว่าพรโยคาวาจอรก็พวกเราทั้งหมดี่กำเนิดน่าภูมิใจยอย่างยิ่งตัรว่าการเกิดสัมมาชาติหนึ่งแล้วก็เราก็มีโอกาสา พ, บพบพระุทศาสนาในเมื่อพบพระุ้ทธศาสนาแล้วแล้วก็มาดิมองมระพุทธศาสนาเฉย เราอยู่ฝ่ายเข้าไปอยู่ในขอบเขตเรื่องศาสนาการอยู่ในขอบเขตเรื่องศาสนานี่ก็ยังไงแน่นะสำหรับบางคนตอนท่านก็จับเจอว่าเขาอยู่ในขอบเขตเรื่องศาสนาไม่มีอะไรทรื่องศาสนาก็้าไปถึงใจเลย <c oughs> แต่ว่าพวกเราเราพู้จะไปจับที่ไปชมติววันนี้ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วย และก็พบพำวจิตศาสนาด้วยเข้ามาอยู่ในขอบเขต่อศาสนาด้วยและก็มีโธกาสเช่นมังมนจะทำคำสองสอนพห้เราผลตปิตมาถางึงปิจ้าด้วยดังนั้นทกุกท่านกบควรจะภูมใจในความดีของตัว <c oughs> ว่าความดีเดิมของพวกเราอันดับแรกตอนที่มาเป็นมนุษย์ ในร่างกายมีอาการสนริกสองขบอควนก็จะถือว่าคุณเขาพวกเราก็คือหนึ่งสีดีคือว่ากำจัดสิดดีถ้าขาดสีขาดกำมบดสิดก็เกิดเป็นร่างของมนุษย์ไม่ด้เนี่ยสายสิงกำมบดสิบพวกเราดีมากการเกิดเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบทั้งหมดถ้ามีสีมีกำมบดสิ เชื่อว่าบกรอบก็เห่นว่าบางท่านที่เกิดมาแล้วมีร่างกายไม่สมบูรณ์แบบบางทีมีอาการสารพิษสองทับเพื่อนแต่ว่าการาพิษสองใช้ได้ในระบบนะห <c oughs> ูเสียไปจะบ้างตาเสียไปจำบ้างมือไปแาทบางคนเสียั้นางใน เ, เ, เ, เวลาท่านทำหลายชิ้นหนังอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี้ว่าเป็นคนที่มีโชคดีที่สุด ที่มีวัยวะทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ใช้ได้ดีถ้าเดือนเกิดนะแต่ต่อมาบางเอืญมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบางคนเพาะว่าวัยวะท่านเขาไปโดนกันห้าแต่ว่าวันเกิดในใหม่เขานามาครบทุกอย่างเลยเขาดีทุกอย่างาชืง่อว่ปชคดอันนี้ถือว่าคนเดิมของเราดีมีศีลและมีกรรมวัตถุ คุณนั่นดับไปสองรองออกไปที่ดังมีเสื้อผ่าใช้มีข้าวกินมีสถานที่อยู่ท่าน <c oughs> ก็มีที่อยู่สุขสบายที่ถือว่าอยู่เป็นอยา่าง ส, สบายกันมาจนมาตรัแต่ว่าอย่างนี้มันหาที่ยากอันนี้มันเป็นปุ่นก็จริงว่าคุณเก่าพวกเราทำํำแน่นด้านบาลามีของเร า, เราดีถ้าว่ า, าบาลามีพวกเราไม่ดีจริงจรอยู่ก็ไม่ได้งาน ที่อยู่ไม่เล่นนานในจดหมายก็ามาท่านต้องติดไปแล้วก็ไม่มีตัวนี้เสียงั้นให้ขําไม่อยู่ไม่ได้งานนี่ถ้าอยู่กับเราอย่างนี้ใจก็จะไม่สบายถึงแม้มจะอยู่เขาปราึกษาแต่ใจมันก็ยอย่างนี้คือถือว่าอันเข้าดีน้อยไปหน่อยสำหรับพวกเราที่ไม่บางท่านจงบวชเฉพาะเวลาการเฉพาะคืออยู่แค่าปรึกษาอยว แต่ว่าอยู่ได้จิตเปินสุขค้งนี้ก็ถือว่าผ well, ลทานเดมของท่านดียังสามารถจะมารับผลทางที่บวกคนอื่นบริจาคให้เราวิงฟังอยู่เป็นในเวลาการเลสองเราตายได้ผงทานซึ่ว่าปัญหาในการเลยพวกพเราคึงแม้ว่ายังต้องมีการจัดจ่ายใช้สอยในบ้านเราก็มีอาหารบริโภคสมบูรณ ถ้าเราจะใช้เป็นจริงๆค่าอาหารก็เจะจบทุกเรือนละหมื่นบาทถ้าเราจะซื้อจริงๆแต่ะว่าอันนี้เราไมา่าาได้ซื้อส่วนซื้อน้อยที่เกิดใช้ใจเพียงแค่เดือนสองแสนพันบาทไปสุของค์แต่นอกนัีน้ยงคนใหญ่ก็เป็นส่วนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาช่วยการนี้เขาจะไม่ช่วยอย่างนี้ได้ถ้าว่าทานดำรมีเดืนอนคนเราไม่ดี หรือว่าเมตตาบารมีเต็มขึ้นเรามันดีไม่มีใครก็ให้กินเราจะดูตัวอย่างได้ทิ่วัดต่อตัวเราจะดูตัวผไปก็แล้วมีบางวัดเท่านั้นที่มีความปรนโยชน์สมบูรแบบนี้หายการบริโภคสมบุรแบบอย่างของเราที่นี่เราไม่ได้อวดเขาจะที่พูดมาดีก็มความทุกนที่อยู่นี่ ไม่ใช่ก่อนมีทานบรนาบร ม, มีดีด้วยมีเมตตาบารมีดีด้วยก็อาที่เรามีทานบารมีดีเขาจึงให้เรากินให้เราใช้ให้เราอยู่ก็อาศัมีเมตตาเรามีดีเขาให้แล้วก็จะให้อีกนในเรื่องเมตตาต่างดีนีนเป็นบาปเก่าของทุกคนคนดีมาแล้วต้องสอนแต่ ก, กันแล้วเแตยกันมีคามใจ ก, การรั้ การอบทมธรรมในแช่กรงของทงุกทา่านดีถ้าไม่ดีแล้วก็ว่ดนีม้มาอยู่ไม่ไนา น, น, น, านเพร า, ว า, าะว่าชริยาของวัดนีม่หมืนที่อื่นฟงระเบียบกฎเกณฑก้าวไปหน้าจมังเขาจะท่านใจสาหรับคนทั่วแต่ก็สบายใจสำหรับคนดีพี่ใ น, นเมื่อพระลูกท่านฟังกันได้แล้วก็อยู่กันได้แล้วแม้สนใจก็แสดงและอาศัยการอกคมธรรมในอท่านดี อันน oh. like yes. ี้ก็เป็นเชื่อนดีสุดยกความว่าทุกท่านให้มีความรู้สึกตัวพั่าท่าทำใจก่อนความดีกันมาบาและเวลานี้นะก็มาอยู่ในขอบเขตของความดีในเรื่อเขษของความดีที่เป็นพิเศษนั่นก็คือทําธํามารสอนขององคสมเด็จตุสมาสิมพุเจ้าโดยเฉพาะยิ่งทำพระก็ดีพระว่าก็ดีจะข้ามาอยู่ คนก็ไมไ้ยงหรอกถึงังงโกาวสร์พใมากไปาการกลังใจเป็นธรรมชาอันนี้ก็น่าจะชมเชยตัวเองจะืว่าชมเชยตัวเองได้ความดีก็ชมได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีมันทรงตัวจริงๆก็ต้องมองทั่วไว้อย่ามองดีดีี่เราไม่ต้องห่วงห่วงอย่างเดียวคือห่วงทั่ว ถ้าเราทำลายความทุกข์ให้หมดนั่นก็เหลือแต่อยู่ที่ควคอนนี้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลายจะมานี่ทุกคนก็ต้องมีเงื่อนไขวันหนึ่งจะต้องได้มโนทิฏฐมา ก, ก่อนซึ่งเป็นการปฏิบัติชั้นสูงมากในพระศาสนาและกระบวการปฏิบัติที่ยากอย่างยิ่งไม่ใช่ ง, ง่ายเลยแต่แว่าทุกท่านปฏิบัติจะได้วันสองวันสามวันก็ได้ ที่เป็นอย่างนี้บางบัง้าวเวลาว่าเๆก็น่าจะทสทวนตรงเองขึ้นไปฝ่ามองจนถึงสัมมาถึงเจ้าก็ควรถามว่าคุณธรรมแบบนี้ข้าของเป็เจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วกี่แสนชาติเรียนมาเคยถามกันแล้วกี่ชิมันต้องเป็นแสนแสนชามันเร่ยนได้เร็ก็จะการเป็นสองที่นี่เราพูรจะเรียนอย่องนีข แต่ความจริงเรื่องนิพพานีนที่ไหนกขาก็สำคัญมีบางจุดตอนนั้นที่เขไม่ํคาคัญก็ อ, อะไรนิพพานก็เป็ของรวมความง่ายแค่กาลังใจในถึงปรมากับรมีก็ถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลในกำลังใจเยอะเท่ากว่าปรมารมีนี่ก็าพอใจแค่ทารสมาบัติแต่เรื่องนิพพานนี้พูดจะไม่ได้แต่ถ้าคิว่ากำลังใจเขึ้นมั่นไดเข้าถึงปรมาสุบรมี กำลังใจเขาท่านนั้นย่อมปล่อยใจได้ในพระนิพพานในแดนนี้เราพูกัน็นติพานให้กับปล่อยใจใจในปัจุบันกระวนาล้วความดีที่ท่านหลายท่านเป็นมาในอดีตและตอนในปัจจุบันก็มาส่งเสริมความดีเดิเมก็คิดว่าเป็นการเสริมให้เข้าถึงใกลายนิพพานอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ผมก็จะพูกติพานแบบย่อ การที่จะริบัรตรตนเขาปฏิภาณแบบโอยๆหรือกำลังใจสูงอย่างนี้ก็มานทำปุถุสันมาถ้าพูดกันมากมันก็เกิดความมึนงงแต่ว่าพูดไล่พูนไล่เช่นแบบโง่เขาก็ไม่รู้เรื่องเดชฐานหน้าที่สูคันทั้งหมดพระอุปัาย์พรอุัาย์ก็เป็นคนตลาดวันนี้จะขอพูดอย่างพูดกับคนตลาด การก้าไปสู่สิ่งพันที่พระพุทธเจ้าทรงมีสามสุดคือหนึ่งตัดโลอักความโลสองตัดโธตัดความโธสาตัดโมหะควา ม, ลมหา ล, มลนงนี้เท่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงพูดมากเพราะว่าปัญญาของคนไม่เสมอกันแล้วก็ด้พูดว่าตัดสามสุดนี้ก็ยังยาวใชนะ่ไห การตักให้ยอดเรียกว่าตักโดดเดียวคือสกายะพิธีขึนเป็นสนใจในรูปถ้าได้ว่าเราก็ใช้สามข้อตัวคฟังเข้าใจง่ายและ ก, กำลังใจมันไม่เสมอกันแต่พูดสามข่อให้หวังว่าทุกคนเข้าใจแน่วิธีากรธารตัดโลภ้าความโลกนี้ถ้าเราจะใช้แต่วัตถุอย่างเดียวไม่มีผล การให้เรียกว่าสุอย่างเดียวและการให้จะเป็นรังกายอย่างเดียวนี้คนมันโยคะกรรมมาวจรตลาดนี่การให้ต้องให้ทางกําลังใจด้วยการให้ทางกําลังใจเป็นยังไงเรียกว่าให้แบบเบาแต่กำลังใจก็เรียกว่าจิตตั้งอยู่ในตาคานสติกรรมฐานเป็นปกติ เมื่ อ, อเราติดข้อเรามีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการตรงเขาจิตเราไม่คิดเลด ย, ยที่แย่งทัดสิงและโคดโกงทัดสิงงบคนใดทัดทงบ้า น, นวัดก็จะ่ให้ให้ตามลำที่เราจะดึงใ้ได้ว่าถ้าไม่ให้แล้วไม่เกิดความโลภการัดสอนโลกต้องตัดสินการให้แต่การให้มีข้อกำหนดด้วยเมตตาการี หรือว่ากรลังใจความสงสารเจตาความรัตรูงนานความสงสารแล้วก่อนที่จะให้วัตถุก็ต้องใช้สัญญาจะมาบอกว่าคนให้หรือเป็นคนให้ถ้ า, ถ า, าเอากลังไปแล้วไปที่ในการดิจิตสร้างความเหนื่อยร้อนให้จักรวาลคนอื่นอย่าเียพระพุทธเจ้าสุนว่าไม่ปวดให้เพราะทางไม่ทำซ้นอนเลยควรให้แกบุคคลที่ปวดให้ และใครงไม่ให้แต่คนที่ไม่ควรนี่ก็ต้องจะงามไม่ว่าให้มาก็ให้เพราะว่าทางัารเอไราให้แบบปัจจวบสร้างตารอรก็ให้สงเด็จจนให้หวังผลหมายควาให้แต่คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมใชยๆหมก็ค่ว่าการให้ดีกว่าให้จับจิตใจ ถ้าเราคนที่ไม่มีสินไม่มีธรรมโดยแล้วเกิดเดียนวกับนอ่โดยอย่างนี้เราเรีย้ยาพัฒนาที่มีความทรงรักพักน์ดีดีกว่าให้กับหมาดีว่าให้กับงงคนง่าง่ายคนประเภศนั้นให่คนให้เพราะว่า ก, การให้ใยการวัสถุก็เป็นการให้เป็นการสัตว์าำลังใจส่วนนอก เป็นการต้องกันความโลกส่วนนอกแล้วก็ที่จะตัดจันได้จริงก็ต้อใส้กันให้่างใจเ้ื่อยาความรู้สึกในชั่วคันโดยทิกการให้เท่าที่เราจะให้ก็มันั่งจะมาตามความจริงว่าคนที่เขรวยแสนรดยมีทรัพย์สินมากทุกคนเนี่ยตายแล้วแบบทักย์สนไปได้กัก แล้วจะมีใคร้ังยงใช้กำลังใจที่เป็นคิศเสือทิศกุฏิญายที่เจรนาดูว่าคนที่รวยแล้วก็ตายลงอเวจีหมาเรล็ดฝงนี้ตอนะนี้เรื่อเขารวยคิดว่ารยไม่ผิดแต่ว่ารักษากำลังรักษาทัศคิดคือจะหนีที่เหนียวเกินไป เ้อไม่คบในโกงใครแต่เ้าว่ากำลังใจของเขาเวลาจะตายตุ่มก็เกรงว่าน้ำมันจะสลายตัวก็ลมหล้งปกครองไม่ได้ต mm hmm. อนนี้พระุธจากล่าว่าจิตเตสังขิริทิสุขะจิตปาริการะในลายจะตายถ้าจิตใจสมองก็ไปสู่ปกติ mm hmm. ท่า น, นี้ก็ต้องเป็นงนานประมาณสิบปี เราหาไนไปทกในยาท่นักวิทยาศาสตรเอาไปส่งในไฟอันนหนึ่งตับโลคัสแต่ ว, ว่าสำหรับเร ว, วัตก็จงอยื่เข้าใจอีกคําว่าตับโลคะความโลภนี่เขาไม่ได้หมายความไม่หากินเรื่องมีเท่าไรกินเทนั้นอันนี้ไโขดที่ประเจ้าวทองสององแม่น้นไม่ใช่คำอุตสานธรสมทาย จงถึงค้องเด็ดความยันขนเกียรในการจะประกอบอาชีพและก็สำมาทวะจบในประกอบอาชีพโดยถูกทางผิดเอไม่เียดไม่เด็ดเองใคร น, นั่นก็ต้องดูตัวยอย่างนาวิสาขารามาหาวิทยาลรืร่องว่าทัานาจวิเนกามาหาเศรษฐีตัวอย่างทั้งสองท่านนี้ท่านเป็นมาหาเศรษฐีใหญ่ แต่ท่านก็ยังทำมาหาจินยังทำฟองปกติถ้าว่าท่านจะไม่หากินเลยแต่ทักจินต้องทำหนึ่งบทกินกันไปทําไรใช้กันไปอะไรก็ไม่หมดท่านก็ยังหากินห้ไปเลยสัมมาทิฏวัตจะได้คนที่ไม่โลภคือไม่ใช่คนไม่หาจินคนหากินจนไม่อยากจะเคยมีคือสหาบดีก็ได้มีฐานะเป็นสถาบดีอยากจะเป็นอนุเสธทีก็ได้ แะป่ปรูกเศรษฐีอยากจะเป็นมหาเศรษฐีก็ใด้แต่ยาโกงใครเขาทำในความ บ, บริสุทาบบาํา์ทำในความอรัญมันเปลนถ้าอย่างนี้แล้วว่จะไปหาคงโลกอย่างนี้เขาเกสัสมมายิตวันถ้ากำลังใจของทุกท่านโซนที่บริสุทธิ์ก็จะมันเลยก็จทมาอยู่ในขอบเงทจ่ตวัฏฐ์ทีงย่อมมีความหมายสำนักสิ แม้แต่ผู้เจาพก็งครับหวายท้านตรับมากกว่าสีถ้าพเจ้าก็ายที่รับอย่างดีแสนดีแต่ว่าองค์สมเด็จเปรตินสีก็ดีเพราหารก็แต่งก็ดีไม่เด็ปิดอยู่ในทัศีลคือว่าถ้าร่างกายมันจาเป็นต้องกินต้องใช้ก็กินต้องใช้แื่เวลากินก็ต้องกินแบบคนกินเพื่ออยู่คือพิจารณาไปหาในปรเป็นตัวทยาไม่ปิดในทาร ทำว่าไม่ติดแต่ว่าทหารที่มาปีที่แล้วฟังข่าวก้าแล้วก็จะจ ะ, จะเครมากไปถ้ามันออนเค็มก็ไม่เติมเค็มอ่อนเสื้อไม่เมเสื้อนี้ม า, นมากไปหน่อาร่างกายต้องการเค็มกเต็มเคมร่างกายต้องการเสื้อก็เติมเสื้อต้องการนุ่งก็เต็มผิดแต่เราไม่ติดเลยทั้งว่าถ้าไม่มีที่พิสน์จะไม่ทิไม่ได้น่าแล้วคนไม่ไหวต้อหาเล่หาดีจะดีเท่้วหร ได้ต่ากายในขาดแบบไหนลราก็เห็นมันแบบนั้นเข้าที่มันเีแต่ก่อนจะกินก็ไปก็เสี่ยงานวอ่าอาหารกับเสรษฐีเรื่องร่างกายร่างกายเร้กไปสมบูรณอาหารมาจะข้นอานน่นการสะขภพ็ขาตายเขาแบบสุขพเาไดเรากินดีก็ตายเรากินไม่ดีก็ตายอาหารมากก็ตายอาหารน้อยก็ตายอาหารมากมายดีเท่าไหน่ก็กินดีอาหารน้อยก็กินดี ฉะนั galaxies, player, ้หรือเรากินเพื่อิงให้ร่างกายมันตรงก็คิดว่าถ้าร่างกายตรงอยู่เราจะตรงไปทำธรรมต่างๆเพราะต้องีปัมาเพื่อปฏิบัให้ขังอยู่ในใจของเราไม่ใชาต้องการหน้าหารขังกายอย่างเดียวกิน้าไปคือกินธรรมะหรืกินอาหารใดก็จะโกรธถึงยาเอย่างนี้ที่ว่าเป็การกินที่ถูกต้อง เรื่องความหลักร่าย้าวแรกที่เราจะอยู่นิพพาน <c oughs> เราไปอยู่นิพพานจังได้ครับเอยู่นิพพานได้จะคิดไปจะอยู่นิพพานแน่นอนนะถ้้กำลังใจท่านเราไม่สามารถจบกเรื่งความโลกได้หรอกนั้ น, น, นก็ไปไม่ได้แค่ไปเห็นแล้วจบตายแล้วอาจจะไปทักอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่เพาลังใจไม่ตึ ง, ขงนข็งพอในรายการเบอร์สองโทรศัเก้าอสอง ที่เข้าไปจะไม่ผ่านได้ก็ใช้โขดักตัดโขดตัดที่ที่ตัดโรงตัดที่จะตัดง่ายๆตัดในยตาตะอด้หาทางตัดที่นที่ผมบอกว่าต้องใช้มือหางสีหรือกรบดิสีอันนี้ก็เป็นวราวพุทธพกนกบทบารีกองสมเด็จตัมายธรรมจากแต่ ว, วิธีตัดแบบนั้นก็เป็นวิธีใสโโก่กงองงูตกวยิดหนึ่ง ตองง้อไม่มากที่เรียกว่าปัญญายังไม่ได้เอียดพอคนที่มีปัญญาระเอียดพอนี่อย่างคณะนุยตัดที่มันง่ายที่สุก็ไม่ต้องไปตัดเลยต้องไปหันสแล้วเมื่อทําไปตัดเื่อเสถึงสี่จุดเดียวตัดจดเดียวคือมานะการเสีอตัวที่จบถ้าเราไม่มีมานะการเสียตัวที่จบที่อย่างเดียว ความตห้ตะมันก็ไม่มีเลยถ้าเราคิดว่าถ้ามารมันมีแต่เราคอยยับยัางหรือกาลังใจโทสะมันก็ลดเมื่อเรายับยั้งกำลังใจมานณ์เราถือตถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเออเออขาไม่จับมือเขาเป็นเพื่อนด้วยเราโอเคถ้าเราคิดว่าเราเลวเขา คนที่เราคิดว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเราก็มองเห็นหน้าเราเขาเลาะเราหาเขายอเลื่อยเกดถ้าว่าเราชั่วเราทำไม้เขาแต่บาเอ่ยเขามัพูดคาโตไปนิดเรากปกดเนี่ยความโกรธไม่เกิดขั้นได้เพราอาศัยมารณ์การถือโกรธดีกว่าหรือว่ามีมารว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิงนั้นเป็นขอเราบ้านเป็นของเรา ทัศน์สิ่เป็นของเราคนนั้นเป็นของเราการตายไป็นของเราถ้าหาว่ายังคิดว่าเป็นเราเป็นเขาจะไม่คิดว่าสภาวะต่างๆมันแค่วัยู่คนก็วัตุ่กายก็วัสิ่งของนั้นๆก็วสตถุวัตถุต้างร้ายและนี่มันมีการสตัวเกิดและก็สลายตัวเพราะนั้นเราจริงๆคือรูปธรรมในกาย ไอ้ของที่ไม่มีความหมายทั้งหมดให้ถูกถ้ามันเป็นของพวงเราเราต้องหาแต่ว่ามันบังเอิญจะต้องสลายไปไม่เห็นเป็นความจำถึงก็เป็นเรื่องมันมันแรกก่อนแล้วใจอย่าเข้าไปติดแต่ว่าจิตเนี่ยต้องทำอะไรก็ทำทั้งหายแจ้งความเจริญจิตหมดแล้วแงสงตามระเบียบในเรื่อที่หาเราไปหาย แต่บุคคลยัเข้ามาพุทธรายแจ้งเจ้าหน้าที่จับก็อตัดความในการป้องกันตัวก่อทำแต่สิ่งที่มันแล้่กนแล้วก็ไปแล้วก็มีติดใจแต่วเลือกควาเดีอดร้อนตางระดับวางใจได้เสียแล้วรายการที่สามก็ตัดโมหะความโลงตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสรุปตัดโมหะความหลงวิธีตัดก็ตัดง่ายว่าคนรวยกคนรวยก็ฝั่งโลก เขตา ย, ยก็นคนนี้มีทรัพย์สินนับเป็นหมื่นหมืนล้านมนาันละุกจากแข่นแล้วพวกนี้ก็เวยใหมันปะ็นใบไหแล้วพวกนี้ ใ, ใจก็ไม่สุขตลอดเวลาหรือเปล่าแล้วนายที่สุดก็ตายหรือกปลาทัพย์สินทั้งหลายทั้งหมดในที่เขาปกครองอยู่หามันได้โดยชอบทอํ้างหรือชอบทำบอางมันช่วยอะไรก็ได้บ้างขณะที่เขาจะตาย วเขาเวลาีเขาจยแก่เขาไม่ต้องกายแก่นี่ครวยแ้าเขห้ามมันได้ไหมคนรวย้ามันห้าจะไม่่วยก็มีเงินรักษาตัวมีเงินกงกลางลและคนวยมันสดตางแล้วคนรวยถ้ายากใช้ีได้ีเงินจับพันร้านันล้านเขาก็มีเงินหมือง้านแต่เขาก็การได้ไหมแต่ลงาว่ากองกันไม่ได้ะนั้นทรัพยินต่างๆก็มีใครนอก หรือว่าร่างกายคือเลือดเนื้อคนงเรามีที่ภนยในที่ก็จะก็เป็นโลภยาสัตว์ตรงั้นเพื่อให้ยิ่งร่างกายคนเรานีเป็นโลภยาสัตว์ที่เราการรักสงแหนมันมากมีผลต่อไต ไ, ไม้บ้างเราอาจจะให้มันไม้ได้แต่เราไม่ยอมไม่ยอมให้มันไหมโตัวเรา ไฟไหม้ยันไม่ท้องของที่รักอย่างนี้สาหรับเราเรามันอาจจะไม่ได้เราเดือรอนนี่กันเป็นเดือร้อนเลยไหมไม่มากพอไปไหม้ตัวเราตัวไฟไหม้ตัวเรานิดหนึ่งแล้วก็เดือดรอนรากทเห็นได้าทที่เรารักมากที่สุดร่างกายไปดูคนอื่นเาที่มีทัพมากเขาแทัพมากเขาโง่มีทัพมากเขาตายเท่าเราะ เราจะไปนั่งติดพัดโย์โจนกระทั่งคิดว่ามันกับเราจะไม่จากกันมัโโนจะถูกหรือนละดังใจการสองมองไปจในได้ของโจรในการมาณฑ์หือตัวจหรือตนทตับตรงนี้ใต้เมื่อไรแล้วโจรตัดมันมีเหลือเป็นงานตามหน้าที่ต้องทำแต่ถ้าเราอย่างมีมาน้าที่ทรือว่าเราดีว่าเขาเนีเราถูกหรือเราตายไห จะดีว่าเราเลยว่าเขาไม่ก็ไม่โทรพราชาที่นันดีที่มีต้นโพยตายหรือเปาเป็นแกหรือเล่าเพราะว่าเราจะเสมอเขาเป็นเสมอใครเห็นคนหนุ่มเราหนุ่มเท่าเ้านี่ยเป็นยีสชื่อว่าเราหนุ่มข้อมันแล้ววะก็คิดมันหนุ่มอยู่ด้วยแต่ถ้าเราเห็นข้างหน้ า, านะครับแตกเือว่าอย่างไงมันก็ไม่สวมว เ็รวมทั้งถ้าเราตัดมานะการถือโทุกข์คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกก็นมีคนสองประเภทคือคนหยาบ ก, กับละเอียดคนง่ายก็คคนดีกับคนเลวถ้าเราเข้าไปในตุ่มของคนเลวก็ต้องกกล่าวาพระอย่างนี้จะต้องมีกับเรา การจะยายอย่างนี้ท้องเขาก็ต้องมีกับเราเราต้องสบายใจคิดเข้าไปรัคิดหรือว่าเป็นธรรมารของเขาถ้าเข้าในกลุ่มของคนเลยแล้วก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดมีความไม่มีแต่ละทั้งหมดจะไมความเรียบร้อยแล้วก็ต้องเรียบร้อยเรียกแต่ลตามเขาอย่างนี้ก็สบายใจเกินความมังกลวงความรักคนดีก็ตามรงเลวก็ตามก็ต้องใส่ ทีวิตม่เกิด ม, กก ด, เกดมาเพื่อกับพรกระทั้งชีวิตในเกิดมาเพื่อตายอย่างีทํา ไ, ทไมเราจะติดล่าเกินไปทาไมเราจึงจะหลงความปวดระวางสองตัวอย่างนี้จะได้นะจะวางได้เมนะื่อไรเราจะไปนิพพานนั้นวิธีที่จะไปนิพพานเราคิดถึงโทษของทัพโลภะทัพเอ็นโทษองความมณัติทีเกิดขึ้น เอ็นพวกไม่จุดลอยเลยเนี่ยเ็นพวถ้าเราฟมันเกินไปก็เป uh ็นพวกเกรอยถ้าถ bon hmm. ือตัวถือตนเกินไปก็เปนนเ็ยหรือตัวผู้จะต้องถือตัวตั่งอตัวตนไม่มากนะเชเราเป็นพระต้องรู้จักตัวก่เป็นพระเป็นบารสุขาริกาจงรู้จักตัวบารสจขบารกาจะไปชี้เหามายาเขาไม่ได้ยินที่แค่นี้ก็ได้ความดี ให้กำลังใจก็ทุกข่านทำได้อย่างนี้นะและต่อทุกพยายามว่างและคิดว่างเอาคิดไปจากปิญญาเสนารมเอากายขอ ง, ขงท่านหลีไปในเวลานั่งอยู่หน้าองค์ก็ุต่าห์จอใจรวมใส่กันได้ให้จิตมาติดอยู่ตรงั้นแล้วก็นำเสมาวางเวลามีก็มีมาโทษขราคาความรักโกรธโกรธาความโลภโกสั่ความโรภ เทา น, นี้ในกาเน็ดบทมันได้อมองความหลงถ้าเราไม่ติดใอ้สามโกลวปันลงมนทำไมเลยถ้าตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้สงนละ ม, มงจิตมันม่นกำหนรู้หลงใจเขาอาาขอกใช้คำาน้นาแ ล, และคิดนาตามปฏิยาสามมยที่ปล่อยจิตแรงบอกหมดเวลา <c oughs>